เพราะเป็นกันแล้วล่วนะเนาะเพราะเป็นแล้วก็ทำให้เยอะๆไม่มีอะไรมากครกับรู้สึกตัวแล้วก็ดูกายดูใจทํางานอย่ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆยรู้สึกตัวอยู่เฉยๆเป็นสมถ t h ในพระไตรปิฎกท่านพูดถึงการปฏิบัติเนะข้าฌานสี่จิตเป็นอุเบกขาแนละ้วในฌานสองเนี่ยได้เอโกทิภาวะได้ตัวรู้ แล้วก็ทำไปจนถึงชานสี่พอได้ชา้นสี่แล้วนะออกจากฌานหรือท่านไม่ได้พูดถึง อ, ออกจากฌานพอได้ชา้นสี่แล้วเนี่ยท่านใช้คำว่าโน้มน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะไม่ใช่ทรงฌานเฉยนะอุเบกขาว่างเปล่าสบายสงบอย่างนั้นมันไม่ได้หรอกผิดหลักที่พระเจ้าสอน พอจิตตั้งมั่นถึงจะทรงฌานหรือไม่ทรงฌานก็ตามนะได้สมาธิที่ถูกต้องแล้วสมาธิที่ถูกต้องมันสามระดับนะตั้แต่คณิกาสมาธิไปอุปจาระอัปปนามีสามระดับถ้าถึงฌานก็ได้อัปปนาสมาธิถอยลงมาไม่ถึงฌานเะป็นอุปจาระอย่างที่พวกเรานั่งแล้วเคลิมขาสติอะไรนี่ไม่เรียกอุปจาระสมาธินะชอบโมเมว่านั่งอ ก็คุยอวดได้อุปจาระไม่ได้คณิกายังไม่ได้เลยนั่งขาดสติอย่างพวกเราส่วนใหญ่ยุคนี้เมื่อทำได้แค่คณิกะสมาธิคณิกะสมาธินี่เป็นสมาธิชัวช่วขณะชั่วขณะอะไรชั่วขณะที่รู้ว่าจิตไม่ถึงฐานชั่วขณะที่จิตเคลื่อนไปไหลไปส่งออกนอกทันทีที่รู้ว่าจิตส่งออกนอกเลย จะถึงสมาธิชนิดคานิกะสมาธิถึงช่วงขนาแล้วก็ไหลอีกรู้สึกไหมพอรู้สึกมามาอยู่ได้แวบหนึ่งก็ไหลแวบหนึ่งก็ไหลไหลตลอดแต่ให้ทําบ่อยๆทําบ่อยจนจิตมันชินที่จะส่งตัวขึ้นมามันจะส่งตัวอยู่ได้แต่ได้ไม่นานมากได้อย่างเก่งก็เป็นชั่วโมงนี้ จะไม่เหมือนพวกทรงฌานนะออกแฌานมาเนี่ยตัวรู้เด่นดวงอยู่ได้ต้องอาทิตย์หนึ่งนะจะไม่เหมือนกันจนะต่างกันมากจะทำฌานไม่ได้ออกอยู่ในคณิกาสมาธินี่มันตั้งไปเรื่อยทีละขณะขณะสุดท้ายจิตมันจําสภาวะได้ว่าจิตรู้เป็นอย่างนี้เองจิตที่ตั้งมั่นเป็นอย่างนี้อพอจำสภาวะได้เนี่ยก็จะไปเริ่มทําให้เหมือนอย่างนี้วิธีทรมีสองแบบ วิธีที่ผิดนะอย่าจอย่าไปเรียนนะอย่าไปทำวิธีที่จะตั้งตัวรู้แบบผิดจะมีสองอันอันหนึงนะ่งพยายามดันอารมณ์ออกไปจากจิตอันที่สองพยายามดึงจิตออกจากอารมณ์ใหม่ๆมันทำทุกคนอะ่ะเราได้คณิกาชั่วขณนะนั้นจะ่ยังทรงไม่ได้ได้แวบรู้สึกแวบรู้สึกมันจำได้ว่าจิตที่รู้สึกตัวเป็นไงก็พยายามทำจิตที่รู้สึกตัวเราอย่าไปพยายามทาจิตที่รู้สึกตัว ให้แค่รู้ว่าจิตมันไหลไปแล้วรู้จิตมันไหลไปแล้วรู้ฝึกให้มากเลยพอนะฝึกมากนะต่อไปไม่ได้เจตนาจะทํานะมันจะส่งขึ้นมาได้มันก็มีสภาวะที่คล้ายๆพวกที่ออกจากอุปจาระมานะจะส่งอยู่ได้แต่ไม่ได้หลายพันหรอกได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเดีนะ๋ยวก็จะไหลๆไปอีก ช่วงเวลาที่มันทรงขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เรโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะหมายถึงพอรู้สึกตัวได้แล้วรู้สึกความรู้สึกตัวมันต่อเนื่องได้สักช่วงหนึ่งหนาทีสิบนาทีก็ยังดีนะรู้สึกตัวได้แล้วก็ดูกายทํางานดูใจทํางานคําว่าโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะญาณะว่าปัญญาทัศน์ว่าเห็นต้องไปเห็นนะไม่ใช่น้มน้อมจิตไปคิดนะ ยานทัศน์เป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็นทัศน์เว่าเห็นงั้นเรามีหน้าที่ไปเห็นเห็นอะไรเห็นรูปประธรรมทํางานเห็นนามมาทำทางานทิ้งตัวนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยไม่งั้นไม่เกิดยานทัศนก็เกิดปัญญาจากการคิดเอาจินตามิยะปัญญาได้แค่นั้นเองงั้นต้องทำให้เกิดยานทัศน์ปัญญาที่เกิดจากการเห็นเอาเห็น เห็นอย่างมีปัญญาเห็นยังไงเห็นใจรักเห็นอย่างมีปัญญานะเห็นใจรักเห็นกายแสดงใจรักเห็นใจแสดงใจรักนี่พวกเราก็ฝึอกอย่างนี้นะส่วนใหญ่ทําได้แค่นี้แหละส่วนบางคนพอฝึอกตัวนี้มากๆเข้าจเจริญสติในชีวิตประจำวันนี่มากเข้ามากเข้านะ หรือทำในรูปแบบด้วยคณิกาสมาธินี่มากเข้ามากเข้าแต่วจิตมันจะได้สมาธิเพิ่มขึ้นและจิตมีสมาธิเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มภาวนานละเอียดขึ้นไปอีกนจิตมันไม่ถึงชันแต่ว่ามันจะไปเดินปัญญาในอุปจารสมาธิได้พวกเราที่เวลานั่งสมาธิอะนะหรือเดินจงกรมนะแล้วเห็นสภาวะที่ไหวขึ้นมาภายในไหมที่มันไหวๆตัวขึ้นกลางอกเนี่ยนะไหวขึ้นมาไม่รู้คืออะไรนะ ไม่มีภาษาพูดนอะอันนี้เป็นการเดินปัญญาในขั้นอุปจาระนะไหวขึ้นมาไหวขึ้นมาใช่อย่างนี้ให้เยอะก็ได้นั่งสมาธิไปแต่แทนที่จะนั่งแล้วก็สงบนิ่งว่างเปล่าไร้าสาระนะนั่งพักผ่อนพอมีแรงแล้วนะโน้มน้อมจิตไปพ ย, ย่ยานทัศนะเห็นความปรุงของสังขารที่ละเอียดไม่ใช่สังขารหยาบโลบกโปรดลงแล้ว แค่สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปสิ่งบางสิ่งเกิดแล้วดับไปนี่เดินปัญญาฝึกมากมากก็ได้มากได้ผลเหมือนกันนะไม่ว่าจะเดินปัญญาในขั้นไหนในอุปจาฌลในคณิกาก็ได้มากผลได้แต่ตอนจะได้มากผลเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิอัตโนมัติแต่ถ้าเดินปัญญาในอัปปนาสมาธินี่มีคนทำได้ไม่มากยุคนี้นะ บางคนคิดว่านั่งสมาธิแล้วออกมาพิจารณา ก, กายอันนี้นไม่ใช่ไม่ใช่เดินปัญญาในอัปนาเดินปัญญาในอัปนาเนี่ยจะเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปขององค์ฌานอย่างเห็นมีวิตกวิจารณ์รู้เลยมีวิตกวิจารณเนี่ยจิตยังเคลื่อนอยู่เคลื่อนไปจับปฏิภาคนิมิต จ, จับแสงสว่างจับอะไรแต่บางคนทํากรรมฐานบางชนิดจะไม่มีปฏิภาคนิมิตนะ ขึ้นถึงอาปนาสมาธิแต่ไม่มีปฏิภาคไม่มีดวงสว่างกรรมฐานที่ไม่มีปฏิภาคอย่างการแผ่เมตตาแผ่เมตตาอย่านึกว่ากระจอกนะบางคนบอกว่าทํากรรมฐานอะไรไม่ได้เลยทำสมธาธิไม่เป็นบอกให้ไปแผ่เมตตารู้สึกต่ําต้อยไม่ใช่นะการเจริญเมตตานะได้สมาธิถึงอรูปนะสูงกว่าอาณาปนาสตินะอาณาปนาสติได้ฌานสี่ จเจริญเมตตาขึ้นไปโน่นชาญเจชาญอะไรนั่งขึ้นไปได้แต่เวลาจเจริญเมตตาเนี่ยจิจะแผ่ออกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่รวมโฟกัสเข้ามาะะกว้างกว้างแล้วก็ทรงอยู่แผ่กว้างกว้งเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์กว้างสบายแล้รู้รู้ทันนะว่าจิตมันยงเคลื่อนออกไปรู้ทันว่าจิตเคลื่อนออไปจิตก็ทวนเข้ามาได้เอโกที่ภาวะเหมือนกันเข้าชาญที่สอง เข้ามาได้ที่ชั้นที่สองง้นบางทีไม่มีปฏิภาคนิมิตแต่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนออกไปจี่ก็ผ่านชา้นที่1เข้าชั้นที่สองถึงชา้นที่สองแล้วก็เห็นปีติเสื่อมไปสิ้นไปสลายตัวไปมีปีติสลายสลายสลายไปกลายเป็นความสุขเห็นความสุขเสื่อมไปสิ้นไปสลายไปเป็นอุเบกขา เห็นนุ่งเบกขาเสื่อมสลายอีกนะเป็นอะไรเป็นอะไรก็ได้จิตจะเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกในฌานะเห็นอันนั้นเป็นเดินสมาธิเดินปัญญาในอัปปนาสมาธิก็เราทํายากแค่เข้าฌานก็ยากแล้วนะฌานคนที่จะไปเดินปัญญาในอัปปนาสมาธิได้ต้องชํานาญสองอย่างหนึ่งชำนาญในอัปปนาสมาธิ ชำนาญยังไงชำนาญในการเข้าในการทรงตัวอยู่ในการออกต้องชำนาญอย่างพวกเราไม่ชำนาญในสมาธิพอเข้าสมาธิตอนออกจากสมาธิจะซึมซึมออกมารู้สึกไหมจะเบลเบเชื่อไหมว่าเนี่ยอุตสาหปฏิบัติมา <c oughs> ได้บ้ า, ไ ด, บาได้บออะไรออกมาก็ไม่รู้เอนะไม่ชำนาญชำนาญ น, นะเข้าปุ๊ บ, ป, บปั๊บปุบ๊บปั๊บเข้าเข้าทรงนะจะทรงอยู่ไงก็ได้จะออกมา ชำนาญในการเข้าในการทรงอยู่ในการออกชำนาญในการเจริญปัญญาสี่ประการนี้ถ้าชำนาญสประการนี้ถึงเรียกว่ามีวสีนะ<า>ที่ว่ามีวสีในสมาธิในฌานต้องได้สี่อย่างถ้าไม่ชำนาญในการเจริญปัญญายังไม่ถือว่ามีวสีจริงยังไม่ได้สาระอันแรกเลยต้องชำนาญในการทําสมาธิอันที่สองต้องชำนาญในการดูจิต พอเวลาเข้าอับปนาสมาธิจะดูความเสื่อมไปสิ้นไปขององชานไม่ใช่รูปธรรมจะเป็นนามธรรมนะงั้นถ้าไม่ชนานาญสองอย่างนี้ไปเจริญปัญญาในสมาธิยากโดยเฉพาะถ้าขึ้นถึงเนวสัญญาเนวสัญญานี่จะหมดความจงใจไม่ได้หมายไม่ได้จงใจเหมือนเหมือนจะหมายแต่ไม่ได้หมายอันนั้นะ ลำพังชำนาญในการดูจิตอย่างเดียวไม่พอชํานาญในฌานชํานาญในการดูจิตแต่ต้องเป็นพระอริยะบุคคลด้วยถ้าเป็นปุถุชนไปเจริญปัญญาในเนวสัญญาไม่ไหวละเอียดเกินไปนี่มันมีชั้นมีภูมิของการเดินปัญญานะเดินพวกเราอย่าเสียอกเสียใจใช้คณิกาสมาธิของเรานี่แหละ ทำไปหนะ้าวันหนึ่งได้ถึงอุปจาระนั่งสมาธิอยู่เห็นมันไหวๆขึ้นมาเห็นสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปหลวงพ่อพูุธเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าในหลวงภาวนาเก่งมีงานที่โคราชมีพระกรรมฐานมาชุมนุมมากไหยในหลวงถามขึ้นมาท่ามกลางสงฆ์ว่าผมปฏิบัติผมรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไร ในหลวงท่านเรียกตัวเองกับพระว่าผมนลไม่เรียกข้าพเจ้าอะไรนี้ไม่มีท่านอ่อนน้อมมากบกผมปฏิบัติผมรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรผมรู้หรือไม่รู้หลวงพ่อพุทธานเลยตอบบอกว่ารู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรนี่แหละสุดยอดของการรู้นะมันไม่มีสัญญาเข้าไปหมายว่าคืออะไรเห็นแต่สิ่งบางสิ่งเกิดแล้วดับไปสิ่งบาสิ่งเกิดแล้วดับไป ท่านบอกว่าในพระสูตรธรรมจักรธรรมจักรนเวลาเจริญปัญญานะท่านเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอย่างกินจิสมุทยะธรรมังสพันตังนิโรธธรรมันติใครเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพุธจะได้ยินเนี่ยคำเนี้ยบ่อยมากเลยอย่างกินจิสมุทรยทัธรรมังสะพันตังนิโรธธรมัติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดแหละมีความดับเป็นธรรมดาทำไมใช้คำ ว, ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเพราะว่าไม่รู้ว่าคืออะไรนะเห็นว่าสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมาแล้วดับไปนะไม่มีการหมายเข้าไปไม่มีสัญญานะอันนี้ในอุปจาระก็เป็นแบบนี้นะคนจิตที่ทรงอุปจาระเนี่ยถ้าทำสมาธิมาตามลาดับนะ ต้องได้ปฏิภาคนิมิตแล้วนะถึงจะเรียกว่าได้อุปจารสมาธิเพราะเราใครได้ปฏิภาคมั่งอะนั่งแล้วสว่างให้แสงกว้างไปแค่ไหนก็ได้ให้หลี่เล็กลงมาไม่ใช่หลีนะให้ย่อลงมาเนือปลายเข็มแตแสงนี้เข้มปุ้ดเลยเนี่ต้องเล่นอย่างนี้ได้นะถึงจะเรียกว่าได้อุปจารสมาธิถ้ถึงปฏิภาคนิมิตแล้ว หายใจจะลมหายใจหยุดนะ่ะลมหายใจหยุดแล้วกลายเป็นแสงนแล้วแสงนั้นเรียกว่าอุขะหานิมิตนะยังไม่ถึงปฏิภาคปฏิภาคเนี่ยทําให้กว้างออกไปก็ได้นะทําให้เล็กลงมาก็ได้เวลาเล็กเนี่ยแสงมันจะเข้มมากเลยใช่ไหมคุณนําเกิงมันจะเข้มฟึดเลยเนาะไม่เอานะแล้วใช้อะไรทําลมอืม คือดูลมไปแล้วมันไม่มีคำพูนแล้วเสร็จแล้วมันไปอจับไอ้คือมันก็มันมันบอกไม่ถูกเลครับหลวงพ่อมันไปต่อดูจิตสิครับแล้วไปดูไปเจริญปัญญาต่อแล้วเสร็จคือบทมันจะได้มันก็มันก็ถึงอัปปนาไปเลยเนี่ยครับงั้นเข้าทางจิตไม่ได้เข้าทางลมแล้วะครับแต่มาเริ่มจากลมนะครัะเริ่มจากลมลมเนี่ก็มาฐานพ่อกรรมฐานแม่นะ ไม่ว่าจะทํากรรมฐานแรก่อนจะสงบเนี่ยจะเข้ามาลมส่วนใหญ่ก็เข้ามาลมแล้วคุณดาเกิงไม่ได้ต่อจากหลมดังนั้นก็จับเข้าที่จิตเลยรู้สึกแต่ช่วงนั้นมันมันมันยังไงก็ไม่ทราบมันมันจับไม่ค่อยได้แล้วมันไปรู้อีกทีก็แต่ว่ามันรู้แล้วว่าอันเนี้ยมันมันถึงจุดนี้แล้วมีหน้าไม่ได้อภิญญาเลยไม่ได้อภิญญา ก็ผมก็สงสัยเอ๊ะทำไมมันถึงไม่ได้ที่ที่คนอื่นเขาได้กันครับปิญญาเนี่ยต้องต้องชานาญปฏิภาครับนรู้สึกจะไม่ได้ปฏิภาครับมันไม่ผ่านจุดนั้นพอตรงปฏิภาคนั้นจะพลิกไปเป็นกสินกอกสินก็ไม่เคยทำนี่ไงจากกระสินเนี่ยถึงจะเข้าขปิญญาครับก็เคยสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมันพลิกไปเข้าจิตเลยครับ ไม่เป็นไรมันได้แต่ว่าถึงฌานเฉยๆมันเข้าอารูปได้แหละก็เข้าทางจิตนะถึงฌานแปดได้แต่มันมันเคยหลงเข้าไปไอ้อากาศสาทีเองค่ะแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าอย่าอย่าไปอย่าไปเข้ามันก็เลยอากาศสาไม่เอาไปเดี๋ยวเคยตัวครับอารูปนะอันหนึ่งไปจับอารมณ์อารมณ์คือความว่างไม่มีอะไรครอารูปที่สองเนี่ยจับมาที่ตัวรู้ครับอารูปที่สามเห็นว่าจับ อารมณ์หรือจับตัวรู้ก็จะเป็นภาระปล่อยสองตัวครนะครับปล่อยสองตัวมันละเอียดมากนะเนี่ยไม่จะเข้าอรูปที่สี่เคยเคยไปถามอาจารย์บางท่านนะฮะที่ว่าเอ๊ะทำไมกระผมถึงไม่เห็นแสงทําเมื่ก็ไปถึงจุดท่านบอกว่าท่านบอกว่าเออถ้าอยากเห็นแสงก็ให้ไปงานวัดกระผมก็สงสัยเหมือนเอหลวงพ่อบอกหลวงพ่อผ่านมาแต่หลวงพ่อเห็นแสงนะ แต่กผมไม่ <c oughs> ไม่เห็นเป็นแสงครับไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> เพราะอัปนาบางตัวไม่มีแสงครับ <c oughs> ไม่ได้ใช้ปฏิภาค <c oughs> ต่อเข้าจิตไปงี้ไม่ใช้ปฏิภาคนะเราฝึกนะมันไม่ยากหรอกทางใครทางมันเราทำชานไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทำมันนะแต่ว่าสุดท้ายมันได้ทุกคนนะสุดท้ายจะได้ชานทุกคนนะอย่างน้อยประตมันชาน จะได้เพชรหลวงปู ด, ดุลท่านเคยพูดถึงการดูจิตนะว่าเข้าฌานแลดูจิตได้ฌานอัตโนมัติท่านว่าอย่างนี้ฉนัตนตอนที่ท่านบอกนี่ไม่เข้าใจว่าทำไมดูจิตได้ฌานอัตโนมัติเพราะเวลาที่เราดูจิตเนี่ยเราเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตนะในขณะนั้นทำวิปัสสนาแต่เวลาทำวิปัสสนามันไม่ทำรวดเดียวหรอกมันจะพลิกมาเป็นสมถะ มันจะไปดูตัวจิตถ้าไปดูตัวจิตนะไปดูความรู้สึกดูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสมถะถ้าเห็นไตรลักษณ์ถึงเจะเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นการเห็นไตรลักษณ์นี่ไม่ได้เห็นตลอดเวลาเห็นเป็นคราวๆถึงดูกายก็เห็นไตรลักษณ์เป็นคราวๆเวลาดูร่างกายบางทีก็เห็นร่างกายใช่ไหมนานๆจะเห็นร่างกายเป็นไตรลักษณ์ทีหนึ่งตรงที่เห็นร่างกายนี่เป็นสมถะ ตรงที่เห็นใจรักของกายแล้วก็ของจิตที่ไปดูกายนี่เป็นวิปัสสนาดูจิตก็เหมือนกันถ้าไปดูตัวจิตหรือดูตัวเจตสิกนะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลที่เกิดหรือไปดูจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นดูตัวจิตหรือดูตัวเจตสิกนี่เป็นสมถะแต่ถ้าเห็นจิตมันเกิดดับเห็นเจตสิกมันเกิดดับได้มันเป็นของบังคับไม่ได้นั่นถึงจะเป็นวิปัสสนา ไม่เห็นตลอดครับเนี่นเวลาเดินวิปัสสนานะจิตจะพลิกมาเป็นสมถะเป็นช่วงๆและส่วนใหญ่เป็นสมถะเป็นปกติเลยจะพลิกพลิกรู้สึกไหมนานๆจะเห็นใจรักทิงไม่เห็นตลอดนะนานๆเห็นทิงเป็นช่วงๆแล้วตอนเกิดอะไรแปลกๆขึ้นนะนึกว่าบรรลุมรกผลไม่รู้ว่าตอนนั้นจิตพลิกเป็นสมถะไปละตัวเนี้วิปัสสนูจะเกิดเกิดตรงนี้เอง แต่ตรงที่เดินวิปัสสนาอยู่เนี่ยจิตคลิกเป็นสมนถะแล้วไม่รู้พอจิตคลิกเป็นสมนถะแล้วไม่รู้นะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคิดว่าบรรลุมรรคผลไปแต่ถ้าจิตเข้าถึงฐานปุบหายเลยสมาธิพอก็าหายบางทีมันต้องคล้ายๆกับว่าคือทํำวิปัสสนาแล้วเนี่ยมัน มันเสร็จแล้วมันมันก็ตกไปนะมันผานสมาธิแล้วบางทีเราก็อยากจะทำนิพพานอย่างนั้นมันก็ต้องฝืนกลับมาเนี่ยอย่างนี้มันไม่ถูกใช่ไหมครับคือถ้าถ้าสมาธิเราพอแล้วมันไม่ทํำนิสนานะต้องฝืนครับไม่งั้นมันไม่ยอมทําครับคนที่ทําสมาธินะมันไม่ยอมขึ้นนิพพสนาคนที่เดินนิพพสนาแล้วมันไม่ค่อยยอมทําสมาธิจินตจะพลิกอย่างนั้นนะจิตนี้มันโลดผลเนะ บางคนทําสมาธิบอกให้ทํำวิปัสนาไม่เอาอ่ะดื้ออยู่นั้นอ่ะรู้สึกแบบเสียของดีที่แรกกับผมคิดว่ามันเอ้นี่เหมือนเหมือนกําลังมันจะตกหรือยังไงกําลังตกก็ทําความสงบเข้ามาแล้วทํำวิปัสนาต่อครับมันขี้เกียจค่ใยๆทําอยู่ดีๆแล้วมันก็หลบหายไปเฉยๆเองอ๋อถ้ามันหลบไปพักชั่วครั้งชั่วคราวให้มันพักนะครับให้มันพักพอมันมีแรงแล้วมันกลับขึ้นมาทําอีกแต่พอมันมีแรงแล้วมันไม่ทำเนี่ยอันนี้ต้องพามันทําครับผมนะ บังคับให้มันทําไม่ได้หรอกไม่งันมันไม่ยอมปฏิบัติไม่ยอมทํำวิปัสนาเอาๆญ า, าติโยมทั่วๆไปฟังต่อเอาง่ายๆขั้นแรกนะถือศีลห้าไว้ให้ได้ไม่มีศีลห้าเสื่อมหมดสมาธิก็เสื่อมสมาธิเสื่อมปัญญาเดินไม่ได้จะต้องมีศีลห้าพยายามรักษาไว้ จำเป็นมากเลยนะศีลคนยุคนี้ไม่เห็นว่าศีลสําคัญโง่ที่สุดเลยไม่เห็นว่าศีลเป็นเรื่องสําคัญเห็นว่าศีลเป็นเรื่องของพวกโง่โงทูศีลแล้วได้ผลประโยชน์นรักษาศีลห้าไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กันเนื้อกันตัวดูกายดูใจทํางานนี่สามงานเองสามประโยชน์เองงานนิดเดียวรักษาศีลห้าง่ายเห็นไหมพูดง่าย ทำยากอยู่แต่รักษาศี่ห้าได้ดีต้องมีสติรักษาจิตมีสติเป็นเครื่องรักษาจิตไม่ใช่เรารักษาจิตนะให้สติรักษาจิตหมายถึงว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นมาทิมแทงจิตให้วิ่งพล่านไปนะมีสติรู้ทันสติรู้ทันปุ๊บเรียกสติรักษาจิตนะจิตไม่ไม่ต้องดิ้นรนไปตามกิเลส เนาจะมีศีลแล้วก็ใจมันหนีไปมีสติรู้ทันว่าใจมันหนีไปจได้สมาธิขึ้นมาเมื่ได้สมาธิแล้วใจเป็นคนดูแล้วนะดูกายเป็นทำงานดูใจเป็นทำงานดูให้เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจร่างกายนี้จะแสดงความทุกข์จะแสดงอนัตตาได้ชัดและจิตนีจะแสดงอนิจจังัอนัตตาได้ชัดนะ ในบทธรรมวัตเช้าจะขึ้นรูปังอนิจจงจะไปต่อรูปังอนัตตาไม่มีรูปังทุกขงังเพราะขันห้าเนี่ยเป็นคําสอนที่ท่านสอนพวกดูจิตเรื่องอยายตนะเนี่ยสอนพวกดูกายเรื่องธาตุเนี่ยพวกที่ชอบรู้เยอะๆเรื่องอินสีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกดูจิตเรื่องปฏิจจสมุบัติเนี่ยพวกดูจิตแม้ดูจิตจะความรู้จะเยอะเลยนะ ถ้าดูอา ย, ยตนาก็จะเห็นตากระทบรูปอาศัยตาอายรูปอสศยจิตที่รับรู้ไปชุมกันเกิดความรับรู้ทางตาเสร็จแล้วมันก็ส่งสัญญาณมาที่ใจ น, นี่ก็มาดูจิตต่ออยดูไปที่ตาตาไม่ใช่เราดูไปที่หูหูไม่ใช่เราพวกดูกายดูกายมีให้ดูกายเป็นปฏิคูณเป็นอสุภะ ดูกายเป็นปฏิคูณสุภาพเป็นสมถะต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายที่เราหายใจอยู่หเห็นนะีความทุกข์บีบคั้นร่างกายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็ทุกหายใจออกก็ทุกนั่งอยู่ก็ทุกยืนอยู่ก็ทุกเดินอยู่ก็ทุกนอนอยู่ก็ทุกหเห็นอย่างนั้นไปเรื่อยเห็นทุกข์มันถูกบีบคั้นตลอดเวลาอย่างนี้เรียกเราเดินปัญญาอยู่หเห็นเอาไม่ใช่คิดเอา ร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นเนี่ยต้องคิดไหมลองนั่งนานๆเดี๋ยวก็ทุกข์เองเยอย่าเว้นใจลอยนี่พวกเรามันไม่เห็นทุกข์เล็กๆเหมือนกิเลสเล็กๆไม่เห็นไม่หออกไหมกิเลสต้องตัวใหญ่ก่อนถึงจะเห็นนะกิเลสเกิดที่จิตนต้องตัวโตๆเราเห็นง่ายต้องโทสะแรงๆเห็นง่ายราคะแรงๆเห็นง่ายในกายก็มีเวทนาเกิดตลอดเวลานะ แต่ถ้าเวทนาเล็กๆนี่ไม่เห็นต้องเจ็บปวดมากๆแล้วค่อยเห็นในร่างกายนี่มีความทุกข์บีบคันอยู่ตลอดเวลาเลยค่อยรู้สึกหยุดนะนี่ยจะเห็นแต่ทุกข์ใครมานั่งตรงนี้ยังไม่คันบ้างแอบเกากันยุกยิบตลอดนะหลวงพ่อเลยเชื่อเลยมาจากลิงแน่เลยสึบพืชพันธุ์มายุกยๆบยกย ทำไมต้องยุกยิกมันทุกขันแล้วนั่งขยับไปขยับมาใช่ไหมทำไมต้องขยับมันเมื่อยแต่ในชีวิตเราเนี่ยมันขันเราก็เก่าเปนชินไม่รู้สึกว่ามันทุกข์มันเมื่อยเราก็ขยับเป็นชินเลยเมื่อยปุ๊บขยับไม่รู้ว่าทุกข์แค่มีสติอยู่ในกายจะเห็นทุกข์แค่มีสติอยู่กับจิตนะจะเห็น ความไม่เที่ยงเห็นได้ง่ายเห็นการบังคับไม่ได้ง่ายค่อยๆดูไปนะดูง่ายๆไม่มีอะไรลึกลับเลยง่ายจริงๆ่ะไปไปทานข้าว